วันนี้เป็นวันที่สิบห้าสิงหาคมพุทธศักราช2558ัน้าห้าสิบปดวันนี้เป็นวันเสาร์เมื่อวานเนีเป็นวันพระเป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนแปดเมื่อวานเป็นวันอุโบสถพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยงมาทำบุญตักบาตรก็คงไม่แพ้วันนี้ วันนี้เป็นวันเสาร์ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้มาทําบุญพอมาถึงวัดวาศาสนาแล้วหลวงพ่อก็จะได้ปารกหรือว่ากล่าวเรื่องราวพุทธศาสนาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดในจิตใจว่าพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรพระในครั้งพระพุทธเจ้า ท่านปฏิบัติตนอย่างไรพระพุทธเจ้าปฏิบัติต่อพระสงฆ์สาวกอุบาสกอุบาสิกาในยุคสมัยนั้นอย่างไรความเป็นมาของพุทธะเนี่ยตั้งแต่ป๊ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ยแหละ mm hmm. ตั้งแต่ตอนหัวค่าก็ท่านก็อบรม <c oughs> ภิกษุสัมมเนนอุบาสกอุบาสิกาตอนหัวค่ำตอนดึกขึ้นมาแล้วอบรมพระสงฆ์ พอเที่ยงคืนเทวดาลงมาถามปัญหาพอตีสามตีสีเข้ามามองดูสัตวโลกพระพุทธเจ้ามองสายเลดา้าไปตรวจดูโลกว่าจะได้ไปช่วยที่ไหนบ้างพอผ่านเป็นพระพุทธเจ้าตอนเช้าก็ไปบินทบาทปโปรดตรงที่เห็นว่าเหมาะสมสมควร ที่เขาจะได้ใส่บาตรโล่ทาบุญหรือว่าไปโปรดเขาชีวิตของเขาที่จะล้มหายตายจากไปไปโปรดเขาในช่วงนั้นๆอย่างมัทกุณธรีอย่างเนี้ยก็รู้แล้ ว, ว่ามัทกุณธรีเขาป่วยหนักเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวเป็นเศรษฐีมีลูกชายคนเดียว พอป่วยหนักเข้ามาแล้วก็ไม่กล้าไปหาไม่กล้าเอาลูกไปหาหมอขี้เหนียวขนาดนั้นนะขนาดลักเงินลักทองเนี่ยมากกว่าลูกตนเองอล้วก็ไปถามชาวบ้านเขาบอกอถ้าเป็นอย่างนี้เป็นตัวเหลืองอย่างนี้กินยาอะไรชาวบ้านเขาบอกกินยาอันนั้นอาไปเอายามาต้มให้กินเป็นอันนี้เป็นยาอันนีถ้ถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นไข่ยอย่างนี้มันตัวร้อนอย่างนี้กินยาอะไร เขาก็ต้นไม้ต้นนั้นเอไปมาต้มให้กิน เ, เพราะว่าพาไปหาหมอก็เสียดายเงินผัวนีนสุดมัทถกุณธรีก็ป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะพุทธองค์เห็นโอ้มัถธคุณธรีนี่เขาคงจะตายแน่ละวันนอาการของเขาหนักดังนั้นพระพุทธองค์ก็ไปปินฑบาตพอปินฑบาตอยู่หน้าบ้านเขาเพ่ง รัชหมีเข้าไปในบ้านเอ่พอพณัฐกุลตลีเขากำนอนมาทางหน้าต่างพองมองหลับตาทางหน้าต่างพอเห็นแสงสว่างจ้าเข้าไปในตานะมัถธกุลตรเีเอ๊ะแสงอะไรเลืมตาดูเห็นพระพุทธเจ้าเดินพระพุทธเจ้ายืนอยู่ยืนอยโอ้จ่าทุในชาตินี้ข่ะพระองค์คงจะไม่ได้ฟังธรรมเทศนาคงจะไม่ได้ ทำอย่างอื่นเข้าไปเจ้าข อ, อกราบไหว้นอบน้อมคารวะพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าด้วยจิตด้วยใจด้วยเทอเนีเ่ยเพียงคิดเท่านั้นอ่ะเขาก็เลยใจขาดใจขาดตายแล้วเขาก็ไปไปสู่สวรรค์นี่แหนะตายขณะที่จิตใจที่เป็นกุศลนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย เ้าาคนไหนที่จะพอเป็นไปได้ท่านก็ปลอดแต่บางทีท่านก็ขู่เหมือนกันนะทั้งขู่ด้วยทั้งปลดด้วยพระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูท่านมีเทคนิคที่จะแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนบางเรื่องภาษาวกเทศนาวาการไม่เข้าใจผ่านนา ลุกสิทธ์ตัวเองไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอออันนี้วิัยไม่ใชวว่วิสัยของสาวกอันนี้เป็นวิสัยของพุทธะเราจะแสดงทําให้ฟังเราจะโปรดเขาเองนะเขาจะได้สําเร็จเป็นพระราหันในวันนี้แหละตอนเย็นนะเนี่ยเรานี่เป็นต้นคล้ายๆว่าบางสิ่งบางอย่างความสามารถของสาวกน ยังไม่ไม่เท่าพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเนีว่าสูงสุดเป็นบรมครูแต่บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ยอมแพ้เหมือนกันทําทไมจึงว่ายอมแพ้อย่างเทวทัตอย่างนี้แต่ทั้งที่บวชเข้ามาแล้วพยายามเทศยังไงเอเหมือนกับเทน้ําใส่ตุ่มที่คว่ำปากลักษณะอย่างนั้นแหละพวกเรากลับไปถึงบ้าน น, นนะตุ่ม กระป๋องก็ดีความป่ากมันลงไปแล้วลดน้ํามันจะเข้าไหมมันไม่เข้าอย่างนั้นนะ เ, เพอเผื่อน้ํากระเด็นใส่คนที่คนที่ศาสตร์อีกต่างหาก น, ะนี่แหละบางคนมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนก็หงายหงายรับพอหงายรับเนี่ยก็ได้รับคุณงามความดีอย่างหลวงพ่อแจกหนังสืออย่างที่ว่าอหนังสือเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์จริงเนื้อหาสาระในหนังสือเนี่ย พระธรรมพระธรรมเทศนาพระธรรมนําชาติพ้นภัยโดยหลวงตามหาบัวยนลสัมปันโนที่หลวงพ่อพิมพ์มาแจกจํานวนหนึ่งหมื่นเล่มแจกในงานของวันเกิดของหลวงตาที่วัดป่าบันตาดแต่หลวงพ่อแจกที่นั่นประมาณพันเล่มแล้วก็เอานําไปแจกที่อื่นอื่นอีกแล้วก็นํามาแจกที่วัดของหลวงพ่อด้วย ส่วนหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นมูลนิธิวิริยะนะศีละวันเป็นผู้พิมพ์แล้วก็แจกแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะมีหนังสือมีคุณค่าขนาดไหนก็เถอะแต่เราพวกเราไม่อ่านไม่ศึกษาก็เหมือนกับื่องที่หลว ง, งพ่อพูดว่าตุ่มด้วยโ อ, อง่งน้ำหรือกระมังหรือกระป๋อง ทามันคว่ำปากลงไปเด้๋ยวเอาน้ำสาดเข้าไปาเฉลยมันก็ไม่เข่าเพราะไรเพราะไม่สนใจนี่ก็เหมือนกันทำมาเทศนาของหลวงตามีเหตุผลขนาดไหนแต่พวกเราได้หนังสือไปแล้วก็ไม่อ่านไม่ศึกษ า, าประโยน์ทิ้งไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ก็น่าเสียดายเนี่ยที่รับไปแล้วก็น่าเสียดายแต่ถึงยังไงถ้าหาว่าไม่พิมพ์มาแจกฉเฉลย ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นกุศลจิตใจที่ใยการศึกษาใยการเรียนรู้ธรรมะมีอยู่นะบางทีท่านเหล่านั้นได้ไปก็เอ อ, อมีประโยชน์จริงๆหนังสือนะแต่บางคนที่ได้ไปแล้วก น, นะโยนไปโยนมาเป็นหนังสือเก่าแล้วกันนะเอาไปขายเป็นดีไซนะ์คั่วเอาไปขายเป็นเศษกระดาษช่างขายนะแต่หนังสือเล่มหนึ่งเขาพิมพ์มาเนี่ยแต่ละเล่มนะ เกือบจะเป็น 4-50 บาทแต่ละเล่มยังสือเล่มนี้นะแต่พอเอาไปขายนะี่สองสบาทก็น่าเสียดายนะเพราะหลวงพ่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานนะเนี่ยบอกว่าไก่แจ้เขียยเขีเ่ยหาอาหารเขี่ยไปเขี่ยมาไปเห็น เ, เพชรเม็ดงามที่มันหลุดออกจากหัวแหวนของเขาเไก่ โจนไก่แจ่แต่นั่นก็เลยเขีย่ยโอ้าหารวาอยู่ในหัวแหวนของมนุษย์นะคงจะมีคุณค่ามหาศาลนี่แต่นี่เราสําหรับเราแล้วมันไม่สูส้เม็ดเข้าสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ไงไก่ไก่มันดูถูกไก่ดูถูกเพชพลอยครับสู่เม็ดสู่เมล็ดเข้าสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้แล้วจากนั้นก็เขีย่ยหากินต่อไปฮ นี่ก็เหมือนกันน่ยสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าผู้ที่รู้รู้คุณค่าผู้ที่รู้ประโยชน์เท่านั้นเองจึงจะเกิดประโยชน์ถ้าหาว่าสิ่งไหนก็ตามทาคนนั้นไม่รู้คุณค่ามันก็เป็นไม่เกิดประโยชน์เพ้อเพ้อขวางหูขวางตาเขาอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะอพวกเราจะเป็นประเภทไหนเป็นประเภทไกาแจ้อ่า ไก่โจนไก่ตีหเห็ดเพชพรพลอยหรือเปล่าเพราะนั้นขอให้พวกเราท่นทั้งหลายถ้าเห็นมาสิ่งไหนที่เนี่ยมาสู่ธรรมะวัดวาศาสนาหลวงพ่อเอาให้ฟังเลพ่อทุกเจ้าพวกเราพวกเราทั้งหลายให้ฟังดูนะถ้าเขา่าเชื่อในหลวงพ่อแล้วก่อนนั่นเอาไปเอาไปฟังดู ถ้าหากว่าไม่เชื่อไม่ต้องเอาแต่ทีแรกออกไปมันลกบ้านออกไปทำไมมันลกบ้านไม่เอาหรอกนะอก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งป่ายหลายทั้งปวงนี่นะหลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับลูกหลานนะนี่แหละพระในครั้งพระพุทธเจ้าท่านวางยังไงกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านบางทีท่านก็ดุนะาบางทีท่านก็ปลอบดุแล้วก็ปลอบก็มีสมัยครัง้ง พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นมีพราหมณ์คนหนึ่งพอไปเห็นพระพุทธเจ้าแต่นั้นเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเห็นพัสรีระของพระพุทธองค์โอ้โหทำไมสวยงามขนาดนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมสวยงามขนาดนี้การวางหมาดการท่าทางการก้าวเดินอิริยาบทต่างๆ น่าเคารพน่านับถือเลื่อมใสพอเห็นท่า น, นเกิดความเคารพเลื่อมใสอย่างรุนแรงอย่างมากพระนิสสโก็เลยขอบวชเ อ, อเพื่อจะได้อยู่ได้เห็นพระพุทธเจ้า เ, เพื่อจะได้เห็นเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลา อ, อพอออกมามาจากประคันธโกดีก็ได้เห็นเลยเออเป็นหลบซ่อนอยู่อยู่ห่าง แปลว่าไม่ให้คาดสายตาเลยแต่ละวันพอบวชเข้ามาแล้วกันนะไปอยู่บ้องอยู่ห่างๆพอจานันทก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยความารักออยากจะเห็นพระจรีระของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ว่านี่ยวัคริเนี่ยพิกุลเนี่ยบวชเข้ามาเนี่ยเพื่ออยากจะมาเห็นศรีระของเราตถาคตอ แต่บา ร, รมียังไม่แก่บา ร, รมียังไม่แก่กล้ายังว่าอะไรไม่ได้ปมซะก่อนเหมือนกับกล้วยที่มันกล้วยกล้วยที่มันยังอ่อนอยู่นะจะมาตัดแล้วมาละมาปมา ม, มันสุกมันก็ไม่มีรสมีชาติใชนะ่อันนี้พระพุทธองค์ท่านก็มองมองดูว่าอุปนิสัยบา ร, รมีของเขาเนี่ยยังอ่อนอยู่ถ้าหากว่าใช้ไม้แข็งเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวแตกเสียหายได้ง่าย แต่พระองค์ก็มองบ่มเพราะอุปนิสัยของเขา่ันก็รู้อยู่เห็นเออแต่วันหนึ่งทีนี้พอโมมองดูแล้วบารมีของเขาแก่กล้าแล้วแต่ไหนพระพุทองค์ก็เรียกเข้ามาวักคลิวักคลิเข้ามานี่พระกบลิกก็เขยิงเข้าไปใกล้เธอทําไมมองดูเราแตถาคตดูทําไม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเธอนี่จะมามองทําไมมองของอสุภะปฏิกูลร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของอสุภะปฏิคูลจะมามองเพียงแค่นี้เหลือบวชเข้ามาทั้งทีไปนี้วันนั้นพระพุทองค์เสด็จไปที่กรุงราชคฤห์ไปที่วัดป่าเวลุวนัน วัคคะลีก็เดินตะเดินไปดูด้วยไปไปด้วยไล่ไปไล่วันเข้าพรรษาอีกต่างหากทีนี่ไอ้วันที่เข้าพรรษาน่ยพระองค์ไล่เอาแบบกระชั้นชิดเลยว่างั้นหนียังมาอยู่ที่นี่มันดูทําไมดูจารีละของเรามันของปฏิกูลอสุภระเหมือนกับคนทั้งหลายทั่วไปดูทําไมแต่เนี้พระวัคคะลีน่ยโอโ้โหหมดอะไรตายยากในชีวิต บวชทมาทั้งชีวิตทั้งทีก็อยากจะมาดูพระพุทธเจ้าอยากจะมาเห็นพระพุทธเจ้าต่อหน้า ต, ต่อตาไม่ให้คาดสายตาแต่บัดนี้พระพุทธเจ้าไม่เยื่อใยไล่เล่าหนีออกจากวัดวันในเกือบวันเข้าพรรษาอีกต่างหากเอาเถอะข้าเนี่ยตายดีกว่านะพุ่นะไม่ใช่ธรรมดานะเด็อจากนั้นกพอออกจากนั้นก็ปีนเขาเลยแล้วงไงปีนเขาคิดสกูดนะ แค่ว่าจะเป็นโดดหน้าผาตายเหมังนงั้นเหรออ <c oughs> พอปีนปีนปีนขึ้นไปแเนี่พยพระองค์ก็รู้เลยวัคคารีมันไปตายจริงๆนะว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านมียาทัศนะใช่ไหมล่ะท่านมองเห็นอยู่ะวัคคริมันจะตายจริงๆนะว่าพอเดินขึ้นไปพื้นเขาคนขึ้นเขาเมื่อกันเหนื่อยใช่ไหมล่ะความคิดความอ่านเมื่อกันเหนื่อยแล้วขึ้นไปกันเหนื่อยเพราปีนเขาเลย พระพุทโธก็แพ่งแสงสว่างไปอ่าคงเพ่งแสงสว่างไปอ่าวักกะเละพระกะเก็มองเห็นพระพุทธเจ้าเลยแสงสว่างโอ้คลายคลายความเหนื่อยหายไปหมดเลยเหม น, นพระได้เห็นพระพุทธเจา้าวักกะเลเธอไม่ต้องกลัวพุทโธว่าเธอไม่ต้องกลัวเราต ถ, ถาคตอ่าเรามาเพื่อพยุงเธออให้เหมือนกับช้างที่ตกในเ อ, อ หลุมในโครนตรมติดในเปลือกตมยกขึ้นมาจากเปลือกตมคล้ายๆกับว่าพระพุทธองค์บอกว่าเนี่ยพระวะครัคคะเนี่ยเธอติดในความรักคือคือเรื่องกิเลสเรื่องการมาาคะคือความรักเราจะยกท่านเราจะยกเธอขึ้นจากหลุมหลม่มคือกิเลสกิเลสลาคะตัวนั้นให้พ้นขึ้นมา เราจะยกเธอออกจากเหมือนกับพระาหูพระลาหูคือดวงดาวดวงจันทร์มีพระาหูมีข้าบพระจันทร์พระาหูข้าพระจันทร์เราจะช่วยเหมือนกับพระาหูพระาหูข้าพระจันทร์พระโนคนทั้งหลายจะช่วยช่วยพระจันทร์ให้หลุดออกจาก ปากของปราหูชนั้นนะพอพระพุองค์ตรัสเพียงแท่นั้นแหลอวัคคีเนี่ก็ไม่รู้จักทางไปพอขึ้นมามันอยู่ในป่าดงนะ่ะเออขึ้นมาก็ด้วยปรติอย่างแรงกล้านะเคล้ายๆกับกระโดดขึ้นมามาตามกระแสที่เห็นแสงสว่างที่พระพองค์ขึ้นไปนะพอเต็นข้างหนึ่งเหยียบภูเขาข้างหนึ่งกําลังเจ้า จะหลดขึ้นไปทุกปีตินีคือเกิดยานรัตเกิดญาณรัตนะเกิดฌานขึ้นม า, าท่านก็เลยปล่อยวางทําจิตใจให้ได้สําเร็จเป็นพระอรหันในขณะที่ตีนข้างหนึ่งยังเหยียบเหยียบหลังเขาอยู่เหยียบหินเหยียบก้อนหินอยู่ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันจากนั้นท่านก็หอกขึ้นไปตามากระแสที่พระพุทธองค์ ที่ท่านเรียกร้องจากนั้นเขาไปลงวัดป่าเวลุวันนี่แหละอันนี้ก็คือความติดในในรูปของพระวัคริพระเถระท่านหนึ่งในครั้งพุทธกาลพอต่อมาท่านก็ได้รับเอธัตตะคะนะได้รับเอธัตคะจากพระพุทธเจ้าว่านิรุตติด้วยอะไรด้วยความ ศรัทธาศรัทธานิรุติคือท่านเป็นเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างสุดซึ้งศรัทธานิรุติปฏิสัมพิธาท่านก็ได้รับเอธะตคะเหมือนกันนะแต่พระภาษาิบุตรได้รับเอธะตคะทางปัญญาพระโมคคะราได้รับเอธะตคะทางผู้มีฤทธิ์พระอานนท์ได้รับเอธะตคะ ต่างเป็นพุทธอุปถากพระหูสูตรเป็นผู้ทรงจําพระนนท์พระอานุ์ได้รับเอตตะคะมากกว่าทุกองค์ในบรรดาลูกกศิษย์พระพุทธเจ้ามีทั้งพระพุทธอุปถากด้วยเจงพระหูสูตรด้วย เ, เป็นผู้คงแกเรียนด้วยเราก็เป็นผู้ไม่ติดอะไรในตระกูลในหลายหลา ย, หลายอย่างนะพวกเราศึกษาดูนะในสรุปแล้วก็คือพระอาน์เนี่ย แทมมหากัสปะได้รับเอธัตคะเป็นผู้แข่งในทุดงนี่แหละแต่และองค์มีมากนะพระราธาพามบวชภายแกอายุ80สปีแล้วบวชได้รับเอธัตคะจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายทั้งที่ผู้บวชมาภายแก่ผุนผู้ว่ายากเลหูตึงไม่ยอมฟังใครว่าข้าได้ เ, เรียนมาเก่งแล้วจบมาทางโลกแล้วไม่ยอมฟังใคร แต่พระพุทธเจ้านะราตพราหมณ์เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเพราะพระราตพรามณ์บอกว่าการที่ได้ฟังธรรมหรือว่าคําสอนผู้อื่นแ น, นนะนํำเหมือนกับผู้เหมือนกับท่านชี้ขุมทรัพย์ให้เราในเมื่อเราไปขุดขุมทรัพย์แล้วทรัพย์นั้นก็ไม่ใช่ของผู้หรือผู้อื่นผู้ใดมันเป็นสมบัติของเราเองเพราะฉนั้นเราจะเป็นผู้ว่า ย, ยากสอนอยากจะง่ายเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ฟังดีกว่าน ในเมื่อเรารู้ได้ศึกษารู้และรู้แล้วลเราก็นําไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราสมบัตินั้นก็เป็นสมบัติของเราไม่ใช่สมบัติของผู้บอกนี่แหะราธพราหม์ท่านขอได้รับเอบตตะคะแต่วคัคคีนี่ท่านได้รับเอบตตะคะเป็นผู้มีศรัทธ า, ายิ่งที่อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดแต่พระพุทธเจ้าน่ยผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เราผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเอท่านจะมาดูทำไมมาดูร่างกายที่เต็มไปด้วยอสุภะปฏิกูลท่านทำไมจึงไม่ดูไม่ดูในธรรมเพราะบวชเข้ามาแล้วไม่มีกิจวัดข้อวัดเลยนะมีแต่นั่งจ้องอยู่ทั้งวีทั้งวันอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าดีแหละเอ พระในครั้งพุทธเจ้ามีหลายแบบหลายแนวนะข้าราาญาติโยมลูกหลานทานพวกหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้การศึกษาลูกหลานทั้งหลายก็คงจะไม่เข้าใจว่าพระในครั้งพระพุทธเจ้ามีแต่พระที่ดีดมีคุณภาพมีคุณธรรมด้วยการทั้งหมดพวกลูกหลานคงจะคิดอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงองค์ที่ ทำออกนอกรูกนอกทางที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัย227ข้อนะ่ยก็คือพระสงฆ์ทำผิดนะและก็มากกว่านั้นอีกก็คือเล็กๆน้อยๆต่างๆที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยมากที่เดียวเลยเรียกว่าศินอภิสมาจาร์แต่ภิกษุณีเนี่ดื้กว่าพระนะหลวงพ่อว่าดื้กว่าพระทําไมว่าดื้กว่าพระพระเนี่ยมีสิน227 แต่ภิกษุณีเนี่ยเป็นผู้หญิงบวชเนี่ยนี่สินทั้งสามร้อยกว่าพอทําผิดพระพุทธเจ้าก็บัญญัติพอทําผิดพระพุทธเจ้าก็บัญญัติบัญญัติภิกษุณีให้อยู่ในกรอบตั้งสามร้อยนะสินภิกษุณีศินหลายสินมากนะไม่ใช่ไม่ใช่อื่นไกลนะถ้าว่าเป็นคนดีเนี่ยกดระเบียบก็ไม่มากหรอกแต่คนที่มันคิดนั้นคิดนี้ทํานั่นทํานี่ออกนอกลูนอ ก, ก, นอกทางน่ะ เน่ยนพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัยบัญญัติวินัยบัญญัติวินัยเพื่อไม่ให้ใหองค์อื่นทําตามเป็นกิเลสแต่ก็ดีนะหลวงพ่อนํามาพิจารณาดูคือพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยพอบัญญัติแล้วหยุดนะไม่ทําจุดนั้นนะพระสงฆ์ทางหลายให้ความเคารพทุกองค์จะไม่ทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนะแต่ ท, ทําทางอื่นพอออกทางอื่นมันบัญญัติเอก บ้านเอื้อเราไม่ทำอีกนะตรงที่ตรงที่พระพุทธเจ้าบัญญัตนะิแล้วก็ทําอย่างอื่นอีกอตรงที่ออกนอกรูกนอกทางนี่มันมีช่องที่มันเป็นช่องโบนะนี่แหละพระพุทธเจ้าเวลาไปชมุมเวลาบัญญัติวิดัยแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาเรียกพระสงฆ์มาแล้วกับให้รับทราบแล้วประกาศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพริกถูใดก็ตามทํา ผิดวินัยอย่างนี้อย่างนี้อยน่นี้นนปรับอาบัต์อาบัตนิจคียะปาจิตติอาบัตปาจิตติอาบัตท่านพระพุทธองค์มองท่านรู้แล้วว่าจะให้อาบัตขนาดไหนมันเรื่องสําคัญขนาดไหนนี่แหละอันนี้เลยคือพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระในครั้งพุทธการแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วถึงมาถึงยุคเราพวกของเราเทําวินัยก็ยังมีอยู่ ที่บัญญัติเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่บางเราบางท่านก็เหมือนกับประเทศไทยเนี่ยการใช้บังคับบังคับใช้กฎหมายเนี่ ย, ยอ่อนแอเ่แต่ว่ า, าพระมา ร, รุ่นล่างๆเนี่ยพระเถระผู้ใหญ่ก็บังคับใช้ศีลและธรรมหรือใช้กฎหมายกฎระเบียบ air นี่ยอ่อนแอผู้ที่ก็มาบวชใหม่ก็เลยออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางไปบ้าง อันนี้ก็เป็นของธรรมดาเมื่อพรคนมันหมู่มากแต่ถ้าว่าผู้มีหิริโอตปาพ่อบวชเข้ามาแล้วจะให้ผู้อื่นบังคับทําไมเราก็รู้แล้วว่ามันผิดนะมันผิดเราก็อยู่เราก็ไม่ทำละเออมันผิดเราเข้ามาบวชอยู่ในกฎกติกานี้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องทําตนให้เป็นคนดีเป็นพระที่ดีอยู่ในเป็นสาวกยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า สากะยะบุตรพุทธชินโนรถเราก็ต้องไปปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนก็จบเลยจะให้คนอื่นบังคับเราทําไม เ, เราไม่ใช่สัตว์สาราสิงห์ไงเราเป็นมนุษย์ได้รับการศึกษาดีแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องเราก็รู้แก่ใจเพราะนั้นเราควรปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนนั้นนะเลิ่ประเสริฐนะพระลูกพระหลานคณะสัตยาญาิโยม ออวันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายในแนวหนึ่งนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรเนจนีน่นา